มื่อนี้ฝนตกนอก้อฝนตกสามารถจิกหน่อยแน่ดินฝ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปไหวมันแห้งๆแล้วลก็เฝ้าฝนตกเหมือนฝนตกวางขอนจิกแจงวางเงี้ยเหมือเต่าโอ้โหสิข้นปักโตเพราะท่านตืวว่นมาท่า น, น, าานสามารถจิกของวัดกันหนอยลง ในภาวนาเนะี่ยมันหน่อยมันหลายมันฝนตกป่าห้องแดดออกแดดวะออกทลางเว้นกัางคืนในภาวนาภาวนานะ่ะมันซ่อมเจ้าของการภาวนาซ่อมซ่อมเบิงทางกายเจ้าของนี่ละ่ะซ่อมเบิงทางเบิงกายเบิงลมพันใจซ่อมเบิงกายเบิงใจซ่อมว่า ร่างกายเขานี่ยูโบดลมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรือมันค่อยๆเ่าไปเคยแข็งแห้งก็ค่อยๆมดไปได้แห้งมดแห้งมืดไปเรื่อยด้อผู้ทานอายุหลายหว่าเจ็บของผิวหนุ่มแข็งแห้งอยู่มวนอยู่ตั้งบีดตั้งเ่นอยู่ว่าจันอีโบดนดอกหนะยีโบดนไปเเ่ายีโบดลใส่ ยายเราก็เช่นเทาเรื่องไหนะยายเรื่องนรกเทาโตโเซเซแล้วหยุไ ป, ไปคุณไปพี่คืดยากล่ะเนอยยูเนี่ยสินว่าแทกหรว่แทกไมเคยคืดยากนันใหญ่นี่าาหรือว่ายากได้บหมเนี่ยให้เบื้องร่างกายเจะของอยู่าีแล้วว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วมันค่อยๆเทาไปมันกํากลัางสี่เมื่อสภาพอ่างข้นแต่ว่าอยู่ได้หลา ย, ลายปีอยู่ได้หลา ย, ลายปี หลายปีก็ตามจังน้อยม า, าสีตายเกลลงหลายๆก้ อ, ลละละละกอนสีตายเนี่ยาก เ, น, น, เก น, น่มันเจ็บมันป่วยมันบกพ้าเป็เหตุยังตามตรงการในร่างกายเนี่หลาให้ยืจนสียนสซ่อมเจอของด้ะซ่อมเบืองล่างกายเนี่ยโอ้ยมันกระโนของถาวรอีกย่งเัว่าอีคือผู้จบผู้งามคนนี้เข้าเนี่ยเขีงแห้งคนนี้บาปเนมันเป็นยังไงกบอนนี้ ซ่อมมึงเด้อันซ่อมเลาสิเห็นคว่มเป็นอันิจังอันนิดจังแต่ว่ามันมันบอ่อเทียงแต่ว่ามันบ่ยูจังซันทำเข้ามาตำ ม, มีละให้คอยยือ้อตำมีเด้อให้คอยพูดกับพู้งา้ให้คอยแข็งแรงยื้อตำมีเด้อมันกั บ, บ่อใดบ่อหลายปีมันได้เด่นก็เศร้าความเป็นนุม่มเป็นสาวก็เศ้าไว้บ่อพ่อสองสามปีกะเศ้าเป็นนุม่มเป็นสาวละ คว่ำแข็งแหงกับบทท่านดลนกับเศ้าเพราะฉะนั้นให้เขาคิดเห็นว่าคว่ำมันบาเทียงคว่ำมันบาอยู่เออนว่าอันนี้จังโอ้ร่างกายเขามีคว่ำเบเทียงก็ได้เลว่าถึงเนี่ยมานี่ฟีให้จ้าไหนฮะเนี่ยใน้ทวนาให้เอาใจใเป็นทวนาเอาใจอยู่ของให้ซ่อมมึงใจดนะ้ะนั่งอยู่ในนี่ใจอยู่น้ามอ ใจยืดน้ำจากของบอทเพรมันคืดไปทัวขันซอมมึงก็จะเห็นนโอ้ยมันคืดใจคัวตัวนี้เขานั่งยืนน่ใจมันคืดไปเฮื่อนเขาแบบปากซ อ, อ, อม้นมา่าเนี่ยันแม่นใจวยิยูกับเจ้าของเนี่ยมันเหลือเครื่องเดียวตอนไหนได้นมันบมเต็มข้นขันพีดีเ่ยก็จะเป็นข้นเต็มข้นตัวมีกายกับใจยืดน้ากันกายกับใจยื่น้ำกันเล่สหาแนาวดีคนนั่นไหนอีกค่เนี่ย สหาบุญหาคู่สนใจกับหาใจได้กันใจผู้ยืมน้ากายเราโอ้ยมันหาบ่ได้หรอก บ, บุญน่ยนี่หลายอยู่อันเอาบ่ได้ขอบมันบ่รักษาใจเจ้าของไว้บัตนี่ซ้อมได้บัตนี้ซ่อมจ้ะซ่อมให้หูเมือว่าโอ้เขาอยู่นี่นี่ใจใจกับยืมน้ำยึดตัวนี่ใจบกไปใช้ตัวไปใจใจเจงซีหล่ะเฮ็ดหยังไม่เจีงซีอะไรคนดีมันจีงเข้ามาท่านเม่สปี เอาใจอยู่น้ำ น, ออน่าอะอนอ่อนเขายินดีในการทีพิฆาได้ถวายท่านได้ไหว้เข่าปลาอาหารพระเจ้าผสูงนี่ขันใจเขาบรอยู่น้ามันจิตเอาแน่ยันมันยินดีเอายัมายนายมาเบิกบานขันใจอยู่น้ามันใจยจะเบิกบานเงนินหลามจ่ได้บุญเพราะเฮ็ดยันขึ้นกันแล้วขันบ่ตั้งใจมันจะได้ประโยชน์ียังหลับคือจัเข้ามาขูบ่บอกตัวยิ่งของนี่นะเศร้าหาออกอย่างดี ใส่แบบตัวไว้ยังดีเห็ดข่างเ็ดยังไส้เรียบร้อยบอมาเบิงมาแย่งเหมืนเลยวันี้เนี่ยนั่นแหละแปลว่าว่าเอาใจใส่ว่อาใจใส่เมื่อกี้ได้กินข้อหน่อยอะไระบกตัวก็ได้เมื่อก็บอได้อะไรนี่แต่หยาเนี่ยมันซื้อกันั่นแ่ละเพาเฮ็ดยังต้องเอาใจเห็ดน้ำด้ะเอาใจเห็ดน้ำต้อมเบิงใคว่าใจยุบแล้วจะของใจยุบเข้าเนือสักตัว มันใจอยู right ่อเขาล่มหายใจจึงเสียได้เนอะเขายืนอยู่ก็บเหตุหืเมื่อจึงสีไปว่าใจก็อยูบางทีล่ะมันเมื่อสีดีมันดีนํามันนี้คนเท่าเนี่ยอันทิ่ํามโอ้ดีว่ากินเผากินน้ำห่างไกลใหญ่โตอ้วนโอลงเองเลยนี่ยบ่เป็นประโยชน์ยังดอกนั่นเหม็นหลายกันมันตายมาหันเนอะไอ้ซ้อมใจ